น้ำคงขุณนนะในครัวนะเพราะว่าท่อแตกท่อมันก็หมดอายุสังขานเหมือนกันนะไม่ว่าตะคนเหมอนงั้นท่อก็ตายเป็นเมืออกันหลวงพ่อส่งน้ําตอนเย็นเอ๊น้าทําไมมันไหลค่อยนักวันนี้วะเอาไว้มาส่งน้าจะไม่เสร็จอ่ะน้ําหมดเหือนกันเถอะอ้าวไปไงวะพระคงจะรู้ลมั้งคงจะไม่รู้แต่หลวงพ่อองค์เดียวมั้งวะมันน้ําจะหมดแน่นะวะ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 ฉูบน้ำขึ้นถังสี่ถังหอ่อคงจะหลายพันเหมอือนกันโทรๆๆๆๆอ่ะเดี๋ยน้ซ่อมแล้วล่ะถามๆดูมันท่อรุ่นไหนนะรุ่นตั้งแต่ที่เริ่มสร้างวัดนะตั้งแต่เริ่มสร้างใหม่ถาม่าด้เทปูนซีเมนต์ไม่เทวังั้นแสดงว่าหลวงพ่อในรอบคอบมาตั้งแต่ทีแรกเลยนะขนาดนั้นมันยังแตกให้ได้เหือนกันะ เอเวลาแตกเสียได้แต่ในคู่บ่าวค้อนไปทบุทบเึ็นทุบยากมากเลยเหมือนกันปูนซีเมนต์มันแข็งเนี่แหละสำรุดทุดโฉมไปเรื่อยเดีย๋ยวหลวงพ่อพอได้เห็นวัดวาศาสานาสำรุดทุดโฉมแต่ละวัดไปเห็นวัดหลวงปู่แหวนวัดหลวงปู่ใหญ่วัด ปาวลมสมพรวัดหลวงปู่เทศวัดครูบาอาจารย์วัดหลวงปูาางป่ขาวฮะสมัยท่านอยู่ก็ศรัทธาญาติจวงพลังไหลก็ามาช่วยบุรณะไม่มีปัญหาแต่ครูบาอาจารย์รงโรยไปจุดตินิพพานไปยังเถือจะพระถูกน้องถตาว่าไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนโอ้กว่าจะซ่อม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 ทั้งน้ำทั้งไฟทั้งอุปกรณ์อะไรรู้สึก่าสำรุดชุดโสมไปหมดไปเห็นวัดแต่ละวัดแล้วก็โอ้หน้าคิดนี่แหละหลวงพ่อเห็นเพียงจะท่อแตกตอนนั้นน่ะหลวงพ่อก็เตือนเป็นคำเตือนขึ้ น, นมานี่เรื่องวัดวาศาสานานี่ถ้าเราสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้วางแผน อะไรเลยไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ต่อไปภายภาคหน้าเล ย, เยมันจะเป็นภาระไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะบำรุงดูแลรักษาถึงจะรักษามาได้สมบูรณ์กบพระก็มีสี่ห้าองค์น่จะไปอยู่ได้ยังไงกุฏิห้าหกสิบหลังอ่ะพระน่สสุก็เป็นอาหารปลวกอาหารหมดเป็นอาหารปลวกอาหารหมดเพราะรักษาไม่ไหว เพราะนั้นท่านจึงมีชาดกสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินและก็พอพ่อสวรรคตรไปแล้วก็ลูกชายน่จะบวชน้องสาวน่จะไปบวชแดะเอาแม่ไปด้วยและก็บปีบริษัทบริวารห้าหกคนไปด้วยกัน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 แบ่งแบ่งเสร็จแล้วก็นั่นะต่างองค์ก็ต่างเอาไปเป็นช่องเขาใครของเราว่างั้นแต่แต่นี้ใครได้มาอะไรมาก็ได้ผลไม้ป่ามากมากําแบงแบ่งแบงแบ่งหกส่วนแล้วก็ส่วนหนึ่งตัวเองเอาไปแต่นี้ลือสีที่เป็นพี่ชายใหญ่ท่านก็บำเพ็ญตะปะแบบปกกริดว่างั้นแหะบำเพ็ญบัพตะปะอย่างรุนแรงใครก็บอกเพ่งอยู่ทั้งวัน กำหนดอยู่ทั้งวันดูจิตใจตัวเองอยู่ทั้งวันภาวนาอย่างจริงจังว่าไั้นทนนี้ไปกระเทือนไปกระเทือนท่านศิลาอาศของของพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ว่าศิลาอาศพระอินทร์จะเทือนจะท้านหวั่นไหวแต่ว่าไงคือหมายคือแปลว่าถ้าหากว่าพระลุษีเนี่ยอยากจะเป็นพร ะ, ะอินทร์นะปรารถนาอยากจะเป็นพระอินทร์ อยู่บนสวรรค์นแปลว่าพระอินทร์เนี่ยกระเด็นเลยไปกันทั้นเพราะว่าโูว์บุญบารมีของพระฤาษีไม่ได้แต่นี้พระอินทร์ก็เอ๊ะทำไมบัลลังก์ของเราเนี่ยทำไมจึงสะทานหวั่นไหวอย่างนี้วะเพราะั้นพระอินทร์ว่าก็เลยมองดูเมืองมนุษย์มีใครว่าอยากจะมาแย่งตำแหน่งของข้าวะพระอินทร์ก็มองไปไปเห็นพระฤาษีอยู่ในป่า ผลือสีอยู่ในป่าท่านบำเพ็ญอย่างเข้มงวดขวดขันเอผลือสีองค์นี้ท่านบำเพ็ญได้แล้วท่านจะไปที่ไหนท่านอยากจะเป็นอะไรเรือว่าท่านปรารถนาอยากจะเป็นพระอินทร์หรือจะปรารถนาอะไรเนยเราควรจะไปสืบสอบดูให้มั่นใจจากนั้นก็พระอินทร์ก็เลยปลอมแปลงตัวลงมา ลงมาไปมาขโมยเอาเอานี่ยแหละที่เขาแบ่งเป็นช่องๆงนั้นอะไปขโมยเอาของเนี่ยแหละผู้ลือีที่เป็นพี่ใหญ่หมูน่ะให้เป็นพี่ชายใหญ่หมูะไปขโมยเอามาวันที่สองไปขโมยอีกวันที่สมไปขโมยอีกอย่างั้นอะแปลว่าไม่ได้ขอเขาว่าต้องว่าขโมยที่ไไม่ได้บอกกล่าวใครเลยไปออกมาเลยก็ต้องแปลว่าขโมยอ่างนั้นอะพออินไปขโมยเอา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 เขาจะลืมเป็นครั้งที่สองขนาดดีเลอมันมีอาหารในช่องของตัวเองอีกพอไปวันที่สามอีกแต่ไไปดูอีกไม่เห็นอาหารในในช่องของตนเองอีกแต่ไหนสดงว่ท่านลักษณะนี้แสดงว่าเขาผู้ที่อยู่กับเราเนี่คงจะรังเกียดเดียดสันเราใช่หรมั้งเพราะนั้นเราควรจะประชุมหาเืยกัน ใครมีความข้องใจอะไรก็ให้พูดออกมาให้ชัดเจนตะขนาดลือศีอยู่ในป่าภาวนาได้ชานขนาดนั้นเลยยังไม่รู้จักใจของหมู่พวกเพื่อนเนี่ยนะเหมือนกันเถอะท่านี่ลือศีก็เลยเรียกประชมุมประชุมก็มีอะไรมีพีพีน้องๆพวกธาตบริวารแล้วก็มีทั้งช้างด้วยเหมือ น, นนเะลช้างป่าที่เขาไปปล่อยมีลิงด้วยแ ท, แทบนั้นเหมือนกันอยู่ใกล้ๆ ลือสีก็บอกว่านี่นะพวกเราทั้งหลายผมไม่ได้ทานอาหารมาได้3วันแล้วในผมพูดตามตรงผมก็ไม่ได้เสียอกเสียใจอะไรหรอกแต่ผมพูดให้ฟังแต่ทุกครั้งพวกเราตั้งกติกากันว่าถ้าใครได้อาหารอะไรมาก็มาแบ่งแบ่งเป็นช่องๆแล้วก็ผมผมเองก็ได้รับช่องหนึ่งแต่คราวนี้ได้สมวันแล้วผมไม่ได้ทานอาหาร อันนี้ผมพูดให้ฟังแต่ผมก็ไม่ได้เสียใจอะไรหรอกแต่ว่าทําไมพี่น้องทุกคนน้องๆหรือว่าพวกเราทุกคนมีการลังเกียดเด็ดสรรผมยังไงถ้าหางว่ารังเกียจเดียดสรรผมก็ขอให้บอกเดี๋ยวว่าผมจะได้หนีออกจากพวกท่านทั้งหลายไปผลฤษีที่เป็นหัวหน้าพูดทาง ผูรองลงไปก็ไม่ใช่นะผมเอาให้ถวายไว้ทุกช่องเหมือนกันนะ่ะมท่านไม่ได้รับจริงๆเหรอหรือเสียวไหมไม่ได้รับผูน้องสาวบอเอา้าพี่ไม่ได้รับจริงๆเหรอไม่ไม่ได้รับเอาถ้าไม่ใช่กันแกล้งแนละ้วเอาให้อยนะไม่ได้รับท่านี้ก็ต่างคนก็ต่างว่าตัวเองได้แบ่งด้วยความสัตว์จริงแต่เนี่ยตั้งจิตอธิษฐานอพระเจ้าตั้งพระเจ้าพี่เอา้า เอาอยัางไงทางน้องสาวก็บอกว่าเอา้าถ้าว่าหนูได้ขโมยอาหารของพี่ไปเขขอให้หนูได้เป็นอัคกมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีอัคกมเหสีหลายๆคนแย่งสามีกันเหมงอนกันแ่ทุกพพทุกชาติเหมืองกันเลยแสดงว่าไม่ชอบเห้วนกันแคนหนึ่งก็บอกว่าเอาจนถึงลิงกับช้างเหมือนกันแต่แล้วก็จนถึงลุกขะเทวดา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 แปลว่าเข็ดเหมือนกันเหมือนกันเถอะช้างอ่ะทีนี้ลูกคาเทวดาที่อยู่ในนั้นี่มองไม่เห็นตัวเลยลุกคาเทวดาเทวดาเนี่ยข้าพเจ้าขอสบถเงิเทวดาว่าเอาใครน่ยข้าพเจ้าเป็นลุกค้าเทวดาเหมือนเอาสบถว่าไรแต่ถ้าว่าข้าพเจ้าขโมยอาหารของท่านหรือเง้าบัวของท่านที่เป็นส่วนของท่านเกิดทุกภพทุกชาติขอให้ข้าพเจ้า ได้เป็นเป็นผู้ดูแลวัดล้างเหนนให้เป็นผู้ดูแลวัดล้างสมภารตลอดทุกภพทุกชาติเหมนกันพวกนี้พอฤาษีก็เลยถามทําทำไมมาทไมจึงเข็ดขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อสมภารมีบุญหนักสักใหญ่ตายไปแล้วมรณะภาพลงไปไอ้ข้าพเจ้าเป็นผู้รักษาการโอ้โหรู้สึกวันทุกข์จริๆงๆริงเหมือน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 เข็ที่เป็นสมพานรักษาวัดเก่าเพราะนั้นเกิดพบใดชาติใดขออยาให้ข้าพเจ้าได้ขึ้นเป็นสมพานวัดเก่าอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก็เอถอะท่าว่าข้าพเจ้าใดขโมยของท่านบุญบาปกรรมนั้นขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเป็นสมพานวัดเก่าอย่างที่ข้าพเจ้าได้สาบบดเอาไว้แสดงว่าเทวดาเนี่ยก็เข็ดเหมือนกันเลยเข็ดตายไปแล้วก็ยังเข็ดอยู่างั้นเถอะไม่อยากจะเป็นสมพานรักษาวัดล้างอ่างั้นเถะ นี่แหละจากนั้นก็ใครวะจะเป็นผู้เอาสนะเท่นะี่จากนั้นพระอินทร์ก็เลยโผล่ออกมาเท่นะี้ข้าพาเจ้าเป็นเป็นคนเอาไปเป็นคนขโมยไปอา้าวท่านเป็นใครข้าพาเจ้าเป็นอินทราธิราชเป็นเท้าส ก, ก่าเอ๊เท้าส ก, ก่ากับเราหนึ่งไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนทําไมจึงมาเล่นอย่างนี้ทําไมจึงมาเอาอย่างนี้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 เรามองดูแล้วก็คือท่านเองบําเพ็ญตะปาอยู่ในป่าหิมพานแห่งนี้จะไปแย่งบัลลังค์ข้าพเจ้าหรือเปล่าจะไปแย่งสวรรค์ชั้นราวดึงของข้าพเจ้าหรือเปล่าพระฤาษีก็บอกออกไม่ใช่เราบําเพ็ญตะปาเราไม่ได้ปรารถนาอะไรนอกจากโพธิญาณข้าพเจ้าปรารถนาพระโพธิญาณคือให้เป็นขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าอ ง, องค์หนึ่งในอนาคต อันนั้นคือจุดหมายปลายทางของเราเราไม่ปรารถนะอะไรทั้งหมดนอกจากพระโพธิญาณขอให้ท่านสบายใจได้พระอินทร์ต่อไปนี้จะมาเล่นกับข้าพเจ้าอีกนะข้าพเจ้าต้องการบําเพ็ญภาวนาทั้งพระอินทร์ก็บอกอ้าวถ้าอย่างนั้นขอให้ท่านพระฤาษีกับคณะนะต้องการปราถนะอะไรขอพรจะเข้าไปเจ้าข้าพเจ้าจะให้ประทานพรสิ่งนั้นให้ พลรือศรีก็บอกว่าขอพร อ, อย่างหนึ่งเอาเอาเลยขอได้เลยบอกว่าขอจะให้พระอินมาที่นี่อีกต่อไปจะมาล้อเล่นกับข้าวไปเจ้าพระอินก็คือพระอินข้าวไปเจ้าก็คือข้าไปเจ้ า, า, จาอย่ามากใกล้กันอีกเลยเท่านั้นแหละพอพระอินเออผมอยู่ไม่มาอีกครับแต่ผมจะบนรรทุนบัรดาให้ผลลามากลากไม้อุดมสมบูรณ์ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง สำหรับพลฤษีอยู่ในป่าแห่งนี้ต่อไปผมจะไปแล้วครับพระอินทร์ก็เลยหายเงียบไปเลยไม่มาใกล้อีกเลยเน่าชาดกเรื่องนี้ท่านสอนให้รู้ว่าการอยู่ด้วยกันก็ต้องมีกฎกติกาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นหัวหน้าก็ต้องมองต้องดูและก็พร้อม ก, กันก็มาหลวงพ่อจะดุดใจเรื่องเรื่องสมภารเหมืนกเทวดาที่เป็นสมภาร มานึกทีไรกัลูกหลวงพ่อเองก็ขำอยู่ตลอดเหมือนกันพอหลวงพ่อไปเห็นวัดต่างๆขึ้นมาเอ้ยมันมีส่วนจริงๆเทวดาที่รักษาวัวดวาศาสนาเนี่ยพอมันจะต้องดูจะต้องแลกจะต้องบำรุงรักษามากต่อมากแต่ละวัดเนี่ยพระหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบองค์สมัยพ่อแม่กูบายจาย์ท่านยังมีชีวิตอยู่พอท่านหลวงรับไปแล้วยังเหลือพระสี่ห้าองค์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 ก็ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเข้าไปเจ้าให้เดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานขอให้ได้สําเร็จพระอาหารหันต์โดยเร็วรวยเทินพวกเราก็น่าจะปรารถนาอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่พระพุทธเจ้าถ้าจะบอกทำบุญมากน้อยแค่ไหนก็ขอให้เองสําเร็จพระโพธิญาณให้ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตอันนั้นคือความมุ่งหวังของพระพุทธเจ้านะแต่พวกเราเนี่ยใครจะปรารถนาเอาไรนะ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 มันก็จะได้ดิ่งไปข้างใดข้างหนึ่งเราจะได้จากพ้นทุกข์เป็นพระหรันเป็นอักครสาวกเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอะไรจะได้ปรารถนาสิ่งนั้นแต่คือความปรารถนา ค, คือคือความตั้งใจคือตั้งใจจริงงั้นเถอแต่ถาาว่าผู้ใดปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นแปลว่าเป็นมรรคเป็นสัมมาทิฐิ แต่ถ้าวบอกผู้ได้ปรารถนาให้วกพนเวียนเป็นผลมั่งมีสีสุขเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นอะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าปรารถนาอยู่ในวัฏฏะเป็นมิจฉาทิฐิท่นว่านะใช่ครับว่ายังปรารถนาอยู่ในวกปนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารมันไม่มีที่สิ้นสุดต้องปรารถนาออกจากวัฏฏะแหวกวงออกไปวันเดีเข้าสู่แดนอวากาศอะอวากาศของจิตอวากาศของธรรมเป็นอมตะธาตัอมัมตะธรรม นั่นคือปาฏิาริย์ที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิธร่มนะอรับพรอ น, อนโมธนาให้พร